อาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าพระอรหันต์ทั้งสามองค์จะมาด้วยกายทิพย์ท่านจําเป็นต้องเสวนากับอาคันตุกะด้วยกายเนื้อเพราะต้องการจดบันทึกไว้เป็นหลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการค้นคว้าวิจัยของอนุชนรุ่นหลังทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่ท่านประสบถูกบันทึกไวอ้อย่างละเอียดละออคนที่เจริญกรรมาฐานอย่างจริงจังเท่านั้น จึงจะเข้าใจและเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเขาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเขาเองส่วนคนที่ไม่เคยเจริญกรรมฐานไม่เคยฝึกจิตจะไม่เชื่อเลยว่ามนุษย์สามารถล่วงรู้และรับรู้สิ่งที่อยู่เหนือผัสสะได้นับตั้งแต่ปี2495อันเป็นปีแรกที่ท่านเริ่มสอนกรรมฐาน มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายและท่านก็ได้บันทึกไว้เช่นเรื่องของโยมอ่อนที่เจริญกรรมฐานจนสามารถระลึกได้ว่าเคยรับจ้างฆ่าชายผู้หนึ่งด้วยการเจาะยิงที่ศีรษะชายผู้นั้นมาเกิดที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้แนะนำให้แก่ไปขอขมาและขอเอาโหสิกรรมจากชายผู้นั้น และร่วมเดินทางไปด้วยกระทั่งได้พิสูจน์แล้วว่ากรรมาฐานมีประโยชน์ต่อชีวิตเหลือที่จะคานน า, ห, นาหากโยมอ่อนไม่ได้เจริญกรรมาฐานเขาจะต้องไปตกนรกเพราะกระทำปานาติบาทท่านยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีแม้มันจะผ่านมานานถึงสามสิบสามปีและโยมอ่อนก็ตายไปได้สิบปีแล้ว เมื่อโยมอ่อนเล่าเรื่องราวให้ชายผู้นั้นฟังแล้วกล่าวคำขออโหสิกรรมชายผู้นั้นหัวเราะชอบใจพร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไรถ้าลุงค่าผมเมื่อชาติที่แล้วผมไม่เอาเรื่องแต่ชาตินี้อย่าข่าผมอีกก็แล้วกันเป็นอันว่ายมอ่อนสามารถชดใช้กรรมได้ด้วยกรรมฐานและใช้ในชาตินี้ ไม่เช่นนั้นจะต้องไปใช้ในชาติหน้าคือตายไปจะต้องตกนรกสถานที่ที่จะพบกับพระอรหันต์ทั้งสามองค์ไม่มีที่ใดดีเท่ากับในโบสถ์ท่านเตรียมสมุดดินสอไว้พร้อมจะกราบทูลถามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในหลายๆเรื่องที่ท่านอยากถามมานานแม้ท่านจะเกิดปัญญารอบรู้ ในกองการสังขานทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถรู้ทุกเรื่องที่อยากรู้มีแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ทุกเรื่องหากทรงประสงค์กระนั้นก็ยังมีข้อจำกัดว่ามิได้ทรงเป็นสัพพัญญูทุกอิริยาบถเรื่องนี้มีหลักฐานอยู่ในจุลวัชชะโคตสูตร ปริพาชกวักพระไตรปิฎกเล่มที่สบสาซึ่งวัชชะโคตะปริพาชกได้มาสนทนากับพระพุทธเจ้าที่อารามเอกปุณทริกและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเขาได้ข่าวมาว่าพระสมณะโคดมเป็นสพันยูทุกอิริยาบถพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนวัชชะ ชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดีญาณทัศนะนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปดังนี้ ไม่เป็นอันกล่าวตามคําที่เรากล่าวได้และชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคําที่ไม่มีไม่เป็นจริงด้วยเหตุนี้พระครูจเจริญวัดป่ามะม่วงจึงเตรียมที่จะกราบทูลถามพระมหาบอพิษสมผานเจ้าว่าเหตุใดจึงทรงสลัเพศคารวาสมาถือเพศบรรพชิตและที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า พระองค์ทรงมีพระสัญญาวิปลาดนั้นเป็นกุศโลบายหรือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันแน่ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีดูมีเงื่อนงำที่ซ่อนเร้นท่านจะได้รู้ความจริงในอีกไม่กี่นาทีนี้เวลาสองยามตรงสมภารวัยห้าสิบเศษเดินจากกุฏิไ ป, ปยังโบสถ์แต่เพียงลำพังไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้ นอกจากพระมหาบุญกรณั้นท่านก็ไม่อนุญาตให้พระมหาบุญไปด้วยเนื่องจากพระรูปนี้ยังปฏิบัติได้ไม่ถึงขั้นที่จะพบกับหลวงพ่อในป่าและที่สําคัญกว่านั้นก็คือไม่ได้เป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมาก่อนตอนที่ท่านพระครูเปิดประตูออกไปทางด้านหลังกุฏิพระมหาบุญยังไม่จําวัดปกติช่วงเวลานี้ ท่านหลับไปนานแล้วแต่ความอยากรู้จักอยากเห็นว่าลหลวงพ่อในป่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรทำให้ท่านนอนไม่หลับท่านมองตามท่านพระครูคิดอยากจะสะกดรอยตามหากก็เกรงว่าจะถูกตำหนิเพราะรู้ว่าท่านพระครูต้องรู้ภายใต้แสงไฟเรือง ท่านเห็นสมภารไปยืนอยู่ตรงทางประตูเข้าโบสถ์ประเดี๋ยวหนึ่งก็มีแสงสว่างสวัยไปทั่วบริเวณวัดบั ด, ด น, นั้นพระภิกษุสามองค์ก็เดินเรียงกันมาที่ประตูโบสถ์อาการที่เดินผิดแผกไปจากคนธรรมดาคือมีลักษณะเลื่อนไหลไปข้างหน้ามากกว่าการก้าวขาเดินท่านไม่รู้ว่าพระภิกษุองค์แรกกับองค์กลาง องคไหนเป็นหลวงพ่อในป่าและองค์ไหนเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินส่วนองค์หลังสุดท่านจําได้แม่นยําว่าคือพระโบูเหียวผู้เคยเป็นศิษย์ของท่านพระโบูเหียวดูมีสง่าราศีขึ้นกว่าแต่ก่อนและคงจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าได้นอกเหนือจากพระภิกษุสามองแล้ว ท่านก็เห็นและทราบสาเหตุที่มาของแสงสว่างสวัยว่าเป็นรัศมีของถวยเทพนั่นเองบรรดาเทพบุตรเทพธิดาต่างมารายล้อมแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามเหมือนพระเอกนางเอกในลิเกภิกษุวัยสี่สิเศษเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพลงตากันแน่จึงหลับตาแล้วกําหนดเห็นหนอเห็นหนออยู่สักครู่ เมื่อลืมตาภาพเหล่านั้นยังคงเป็นเช่นเดิมแสดงว่าสิ่งที่ท่านเห็นเป็นของจริงท่านรู้สึกเป็นบุญตาที่ได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาซึ่งแม้จะแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนลิเกหา ก, ก็งดงามกว่าหลายเท่าภาพของนางเทพธิดาทําให้ท่านนึกไปถึงสตรีที่เคยรักและคิดจะลาสิกขาไปแต่งงานกับหล่อนมาบัดนี้ ท่านรู้สึกดีใจที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะเมื่อเทียบความงามของหล่อนกับเทพธิดาเหล่านี้แล้วหล่อนช่างหาความงามไม่ได้เลยเหตุนี้กระมังที่พระนันทะพุทธะอนุชาเปรียบเทียบนางชนบทกลยานีว่าเหมือนนางลิงรุ่นที่ท่านเห็นระหว่างทางเรื่องมีอยู่ว่าในพรรษาที่สองแห่งการตรัสรู้ พระพุทธองค์เสด็จนครกบิลพัทพร้อมด้วยพระอรหันต์ตะขีนาศ ส, สองหมื่นเป็นบริวารเพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาตในวันที่สามได้เสด็จไปบิณฑบาตอย่างพระราชนิเวศของเจ้าชายนันทะโอรสของพระนางประชาบดีโคตมีและเป็นพระอนุชาต่ตางมารดาของพระองค์ขณะนั้น เจ้าชายนันทะกำลังอยู่ในพิธีวิวาหมงคลกับนางชลบทกัลยาณีเมื่อส่งรับบินธบาทแล้วได้ประทานบาทแก่เจ้าชายนันทะทรงถือเจ้าชายนันทะจึงต้องถือบาทตามเสด็จพวกหญิงบริวารของนางชลบทกัลยาณีได้ไปบอกนางว่าพระผู้มีพระภาคส่งผ่าเจ้าชายนันทะเสด็จไปแล้ว คงจะพรากเจ้าชายนันทะไปจากนางเป็นแน่นางชนบทกาลยานีเมื่อได้ฟังก็วิ่งร้องไห้ตามไปขอให้เจ้าชายนัน t ะกลับแม้กระนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับบาตรคืนทาให้พระอนุชารู้สึกรกระอักกระอ่วนพระทยัยอยากกลับก็อยากหากก็ไม่กล้าจึงตามพระพุทธองค์ไปจนถึงนิโครธาราม อันเป็นที่ประทับรับสั่งถามพระอนุชาว่านันทะเธออยากบวชไหมเจ้าชายนันทะไม่อยากบวชแต่ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงจำต้องทูลรับว่าข้าแต่พระองค์พูเจริญแค่พระองค์จกบวชพระเจ้าค่ะพระุรมศาสดาจึงมีรับสั่งให้ภิกษุบริวารบวชให้เจ้าชายนันทะ พระวรมศาสดาประทับในนครกบิลพัทเป็นเวลาเจวันจึงเสด็จกลับไปประทับอย่างพระเวรุวันนครราชฤกษ์อยู่มาวันหนึ่งสุทัตะเศรษฐีแห่งนครสาวัตถีเคว้นโกสนได้มานครราชฤกษ์ด้วยกิจธุระบางอย่างได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ยังผลให้ได้ธรรมจักสุ คือได้ดวงตาเห็นธรรมจึงกราบทูลเชิญพระพุทธองค์ให้ไปเผยแผ่พระาศาสนาอย่างนครสาวัตถีและได้กลับไปสร้างพระเจดวันไว้สำหรับเป็นที่ประทับสุทัตตะผู้นี้ก็คืออนาถบินธิกะเศรษฐีในเวลาต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปประทับอย่างนครสาวัตถี ตามคำกราบทูลเชิญของอนาบินทิกะเศรษฐีพระนันทะได้ตามเสด็จด้วยท่านไม่เป็นอันได้ปฏิบัติธรรมเพราะจิตกระสันคิดถึงแต่นางชลบทกาลยานีจึงบอกแก่เพื่อนภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้จักขอลาศิกขา เมื่อความทรงทราบถึงพระพุทธองค์จึงมีรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามความจริงจากพระอนุชาครั้นพระนันทะกราบทูลว่าอยากลาสิขาจริงพระองค์ตรัสถามถึงสาเหตุพระนันทะก็กราบทูลตามตรงว่าท่านระลึกนึกถึงถ้อยคำของนางชลบทกาลยานีที่ทูลอ้อนวอนขอให้ท่านกลับ จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสืบต่อบพรหมรจรรย์ไปได้ดังที่ท่านบอกกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทูลขอพุทธานุญาตลาสิกขาพระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อพระนันทะมีพระประสงค์จะให้พระอนุชาต่างพระมารดาได้เข้าถึงอมตะธรรมอันจะเป็นเหตุ ให้ตัดความหลงในสงสารลงเสียได้จึงทรงใช้กุษโลาบายอันแยบยนที่ชนทั้งหลายเข้าใจได้ยากทรงจับพระพาหาของพระอนุชาและพาไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกำลังพระฤทธิ์ในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีหูจมูกและหางขาด นั่งจับเจาอยู่บนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้จนดำเป็นตอตะโกเมื่อถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส่งแสดงนางฟ้าห้าร้อยผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าส ก, กเทวราชนางชนบทกาลยานีกับนางฟ้าห้าร้อยใครงามกว่ากันพระนันทะกราบทูนว่าถ้าเปรียบเทียบกับนางฟ้าเหล่านั้น นางชนบทกาลยานีก็เหมือนกับลิงลุ่นมีหูจมูกและหางขาดตัวนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าจะให้พระนันทะได้นางฟ้าทั้ง5้าร้อยนั้นหากพระนันทะยินดีในพรหมจรรย์พระนันทะกราบทูลว่าท่านจักยินดีในพรหมจรรย์แล้วพระพุทธองค์จึงทรงผา พ, พุทธอนุชา กลับมาอย่างพระเชตวันดังเดิมเมื่อเพื่อนภิกษุรู้ว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนางฟ้าจึงพากันล้อเลียนท่านพระนันทะรู้สึกละอายจึงปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรกระทั่งสามารถทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม เป็นที่ต้องการแห่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนโดยชอบสำเร็จอยู่แล้วในทิฏฐธรรมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดา ทรงทราบด้วยพระาญาณว่าพระอนุชาทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมเมื่อราตรีล่วงไปพระนันทะได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า ท่านไม่ยินดีในดังฟ้าห้าร้อยที่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าจะประทานแก่ท่านพระพุทธองค์ตรัสแก่พระนันทะว่านันทะเมื่อใดจิตของเธอพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะมีความไม่ยึดมั่นเมื่อนั้นเราก็พ้นจากการรับรองนั่น แล้วทรงเปล่งพระอุทานว่าเปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามแล้วนามคือกามอันผู้ใดย่ำยีแล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายพากันถามพระนันทะว่านันทะผู้มีอายุ เมื่อก่อนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้วบัดนี้จิตของท่านเป็นอย่างไรพระนันทะตอบว่าผู้มีอายุความหงหญ่ในความเป็นครือขัดของเราไม่มีพวกพิสุฟังดังนั้นแล้วพากันพูดว่าพระนันทะพูดไม่จริงด้วยการอวดอ้างว่าท่านบรรลุอรหัตตผล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 ได้บรรลุกิจนั้นแล้วจากนั้นได้ทรงภาษิทธพระคาถาเหล่านี้ว่าฝนย่อมรู้รถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัจฉริยะบุคคลท่านพระนันทะชื่อว่าเป็นผู้กระสันเพราะนางชนบทกลยานีเป็นต้นเหตุพระาศาสดาทรงทําเหล่านางฟ้า ให้เป็นอามิสส่งแนะนำให้ท่านพระนันทะพ้นจากบ่วงกามได้แล้วพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกระถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยกระถาชื่อนี้พระเจ้าค่ะดังนี้แล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ได้ล่อด้วยสตรีได้แนะนำแล้วเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นได้ทูลอ้อนวอนให้ทรงเล่าเรื่องของพระนันทะในครั้งอดีตพระปรมศาสดาจึงตรัสเล่าบุพกรรมในปางก่อนของพระนันทะดังนี้ ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีได้มีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อกัปปะได้นำสินค้าบรรทุกบนหลังลาเพศผู้ตัวหนึ่งลาตัวนี้เดินได้วันละเจ็ดโยชครั้งหนึ่งเข้าไปเมืองตากศิลาขณะที่ขายสินค้าอยู่ได้ปล่อยลาเที่ยวไป จนกว่าจะขายสินค้าหมดลาหนุ่มได้เดินเที่ยวไปและได้พบนางลาตัวหนึ่งจึงเดินเข้าไปหาและได้พูดจากเกี่ยวกันและกันนางลาสาวถามลาหนุ่มว่าเมื่อเดินทางมานี้มีนางลาตัวไหนช่วยทําการนวดเท้าหรือประครบประงมให้บ้างหรือไม่ลาหนุ่มตอบว่าไม่มี จริงอยู่ที่ว่าผู้ทำกรรมมีการนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในสัตว์เดียราชานทั้งหลายแต่นางลาพูดเช่นนั้นเพื่อพาดพิงถึงกรรมสังโยชน์ลาหนุ่มก็สารขึ้นด้วยกรรมของนางแล้วฝ่ายพ่อค้ากับประกเมื่อขายสินค้าหมดแล้วได้ไปตามลาของตนกล่าวว่ามาเถิดพ่อเราจะไป ลาหนุ่มตอบว่าท่านจึงไปเถิดข้าพเจ้าจากไม่ไปนายกะปะกะอ้อนวอนลาหนุ่มอยู่หลายครั้งก็ไม่สําเร็จจึงขู่ว่าเราจะทําปะตักมีหําแหลมยาวสิหนิ้วมาทิ่มแทงกายเจ้าลาหนุ่มตอบว่าเมื่อท่านทําปะตักมีหนามแหลมสิหนิ้วแก่ข้าข้าก็ยันข้างหน้ายกข้างหลังขึ้นให้สัมภาระของท่านตก นายกปกกะครุ่นคิดว่าเหตุใดลาหนุ่มจึงกล้าพูดเช่นนี้กับเขาครั้นหันไปเห็นนางลาสาวยืนอยู่ก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจึงใช้อุบายหลอกล่อลาหนุ่มด้วยการพูดว่าเราจะนำนางลาสาวมีเท้าทั้งสี่มีหน้าดุดสังและสารพางกายงามมาเป็นพันยาเจ้า ลาหนุ่มจึงพูดว่าหากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจะไปให้เร็วขึ้นถึง14โยีโยด้วยอุบายอย่างนี้กัปะกะจึงนำลาหนุ่มกลับไปได้ครันล่วงไปอีกสองสามวันลาหนุ่มจึงทวงรางวัลจากนายกัปะกะพาอค้าหนุ่มตอบว่าข้าไม่ได้ลืมสัญญาและจะนำพัญญามาให้แต่จะให้อาหารแก่ลาหนุ่ม เฉพาะตัวเดียวอาหารนั้นจะเพียงพอแกนางลาหรือลูกที่จะเกิดมาจากการสังวาดของสัตว์ทั้งสองหรือไม่เขาไม่สนใจลาหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็หมดหวังที่จะมีพัญญาพระาศาสดาครั้นทรงนำบุพกรรมของพระนันทะมาตรัสเล่าจบลงแล้วทรงมีพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลาย นางลาในคราวนั้นได้เป็นนางชลบทกระยาณีลาหนุ่มได้เป็นนันทะพ่อค้าได้เป็นเราเองแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ล่อด้วยสตรีได้แนะนำแล้วด้วยประการชนี้พระมหาบุญหมูคิดถึงเรื่องพระนันทะเทระเพลินอยู่จึงไม่ทันเห็นว่าพระอรหันต์ทั้งสามองค์ ได้เลื่อนไหลเข้าไปในโบสถ์แล้วพวกเทพบุตรเทพธิดาต่างรายล้อมกันอยู่รอบๆบโบสถ์แสงสว่างสวยัยจึงยังคงอยู่ภิกษุวัยสีสิบเศษ ร, รู้สึกอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นบุคคลผู้หมดกิเลสถึงสามท่านในคราวเดียวกันแล้วให้นึกตำหนิตัวเองว่ามัวเพลินหลงอยู่ในสงสารจึงต้องแคล้วคลาด จากการได้ลิ้มรสอมะตะธรรมอุตสา์ถือเพศบันพชิตเล่าเรียนศึกษามามากหากก็ยังไม่ได้แม้ดวงตาเห็นธรรมพระโบเหียวบวชทีหลังและเคยก่อกรรมทาเวรกับอวควายมาก่อนก็ยังตัดความหลงในสงสารลงเสียได้แต่เหตุใดตัวท่านจึงยังตัดไม่ได้น่าอายนักสมภารวัดป่ามะม่วง เดินตามหลวงพ่อในป่าและสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีเข้าไปในโบสถ์ส่วนพระบูเหียวผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเดินแบบเลื่อนไหลเข้าไปเป็นลำดับสุดท้ายท่านจัดการปิดประตูบโบสถ์ลงดานอย่างเรียบร้อยและจึงเข้าไปกราบอาจารย์และสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีเด็กราบอาจารย์ก่อนพระบูเหียวกราบท่านและแล้ว การสนทนาปราศัยก็เริ่มขึ้นลุงพ่อสบายดียหรือครับท่านถามอาจารย์ไม่ต้องถามแบบนี้กับเราเธอก็รู้ไม่ใช่หรือผู้ละความลงในสงสารได้แล้วสบายหรือไม่สบายเอาละ่ะอยากจะถามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ถามท่านได้ ท่านมาให้เธอถามแล้วอาจารย์บอกลูกศิษย์